ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปนาะมหาหัตถปโธปะมะสูตรนผู้ที่เจริญธาตุกรรมฐานนนะเพราะว่าพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงการมณสิการธาตุโดยพิสดารถ้าในสติประธานสูตรเนี่ยนะสติประธานสูตรนั้นเป็นการธาตุบับพพะนั้นไม่พิสดารซึ่งเนื้อความโดยพิสดารนั้น ในสติปทานยกให้ข้อความในมหาหัตถปทโทปมสูตรเพราะกล่าวถึงธาตุอย่างพิสดารผู้ที่เจริญกรรมฐานเนี่ยนะหรือจะเจริญสมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามนาตา ม, มนุิการโดยความเป็นธาตุเป็นต้นก็ตามไอการที่รับกระทบัในทวารต่างๆอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติทั้งภัรษะที่ดีบ้างภัรษะที่ไม่ดีบ้าง ในผู้ที่เจริญกรรมฐานนั้นบางครั้งก็ไปประสบกับภัสสะที่ไม่ดีขึ้นก็เกิดอะไรขึ้นเกิดโทมณตเวทนาเกิดความทุกทุกใจเกิดความไม่สบายใจเมื่อมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจนั้นอ่ะควรมณสิการอย่างไร น, นะก็นมณสิการว่าทุกเขเวทนาที่เกิดขึ้นถึงความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยมันเกิดจากโสตสัมผัสเกิดเพราะมีหูเกิดเพราะได้ยินเสียงนะ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 นะวิปัสนาจิตทั้งอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาก็มนสิการในธาตุทั้งหลายมนสิการอารมณ์ต่างๆโดยอนิจจงทุกขังอนัตตาเป็นต้นผู้ที่มนสิการได้อย่างนี้เนี่ยนมะสมณญานก็ย่อมเล่นไปเร็วนี่นะเล่นไปอย่างเร็วเล่นไปมนสิการขันอายตนะธาตุเหล่านั้นทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันว่าไม่เที่ยง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 คนที่ได้รับคําแนะนําได้รับการตักเตือนนั้นนะนะที่จริงแล้วแทนที่จะขอบคุณคนแนะนําตักเตือนด้วยซ้ําว่าเขาเนี่ยมีใจเมตตาเขามีใจกรุณายังแนะนําตักเตือนเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้รับคําตักเตือนเมื่อไหร่เนี่ยนะก็แสดงว่าเรานี่ควรแกาการกรุณามากแล้วละ่ะเนี่ยนะว่าทําไมเขายังไม่แนะนําเราเขาไม่ตักเตือนเราพราะในทุกเรื่องเนี่ยพยายามอยากเข้าข้างตัวเองเนี่ยนะ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 แปลว่าเพราะมีหูเลยถูกด่าเพราะมีกายนั่แหละเลยถูกตบเนี่ยนะเพราะมีกายนี่แหละจึงถูกประหารถูกตีด้วยท่อนไม้เพราะมีกายนี่แหลน ะ, นะะจึงถูกประหารด้วยศ า, า, ยายสาตราสังเวทตรงไหนสังเวทอะไรสังเวทกายกายนี่แหละถือว่าเป็นที่เก็บมีที่เก็บมือเนี่ยนะที่พักมือชั่วคราวใช่กายนี่แหละเป็นที่พักท่อนก้อนดินชั่วคราวเนี่ยนะนะ ตะว่าเป็นเต้าชั่วคราวเพราะมีกายนี่แหละเป็นที่พักท่อนไม้พักอาวุธเนี่ยนะที่เก็บมีดชั่วคราวงนั้นนะนะไม่ได้เก็บนานนะนะเพราะมีกายนี่แหละโทษมีดหรือโทษกายโทษก้อนดินหรือโทษกายโทษฝ่ า, า, ฝ า, ามือหรือโทษกายก็โทษกายเพราะกายเป็นที่ตั้งของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเขาบอกว่าในมหาอติปโธปมสูตร ย, ยกมาสองตวราน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 คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราจักทำให้จงได้